ท่านจะอาศัยสิ่งเหล่านั้นมาให้เป็นศีลนะให้เป็นทานให้เป็นศีลให้เป็นบารมีสิบในทุกๆุกอารมณ์ทุกๆอารมณ์นั่นเองสมาทานในการประพฤติกุศลธรรมสิบประการกับทุกอารมณ์นั่นแหละเรียกว่าการบำเพ็ญบารมีแต่การสมาทานกุศลธรรมของท่านเพื่ออะไรเพื่ออรหัตตมัคคิยานเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตยามเพราะว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็จะช่วยรื้อขนสัพพะสะทั้งหลายให้ตรัสรู้ด้วย พระ อ, องค์ข้ามพ้นแล้วก็จะให้สัตว์โลกข้ามพ้นด้วยพระ อ, องค์นิพพานแล้วก็จะให้สัตว์ทั้งโลกนิพพานด้วยเฉพาะสัตว์ที่มีบุญนะไม่มีบุญอ่ะพระองค์จะไปทําอะไรเนาะก็ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเวลาที่พระ อ, องค์จะสง่งเคราะใครเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยพระ อ, องค์จะตรวจดูโลกวันละสองครั้งนะตรวจดูว่าเออจะไปสง่งเคราะใครเนี่ยตรวจดูก่อน ที่ตรวจนี่ตรวจว่าไงตรวจว่าใครได้ทําบุญครับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไวแล้วตั้งความปรารถนาไว้พระองค์จะได้ไปสารต่ออย่างนั้นเนอะถ้าใครไม่ได้มีบุญมา ก, ก่อนเลยจะไปโปรดอะไรจะไปทํำยังไงอนะเนาะพระพุทธเจ้าเสด็จมาได้เจอพระพุทธเจ้าหูยสมณะโลน ง, งานก็นไม่ทําการงานก็นไม่ก่อว่างั้นใช้ชีวิตวันๆนหนึ่งไม่ได้ทํามาหากินอะไรเลยเนี่ยนะแต่เห็นพระพุทธเจ้าแทนที่จะน้มโมทนากราบไหว้บูชากลับด่าท่ำสรงอกีก แทนที่จะได้บุญบาปนักกว่เาเก่าองเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์ก็คนไม่มีบุญไม่ใช่แบบพระ อ, องค์จะไปสงเคราะห์ อ, อะไรนะก็คือพระ อ, องค์จะตรวจดูก่อนว่าใครเนี่ยสะสมบุญไว้แต่พระพุทธเจ้าองค์ปักว้างเราทั้งหลายก็เหมือนกันโอ้พระประธานาอยากเจอพระสีอานอย่างไงก็ดูว่าเออเราทำบุญอะไรไว้บ้างพระสีอานเจอเนี่ยจะมาต่อบารมีอะไรของเราต่อโอ้ชาติที่แล้วอุบาสกคนนี้นะเรียนเรื่องทานมาเป็นอย่างดีนะเออชาตินี้ต่อเรื่องศีล หรือว่าโอโหเขาทั้งทานทาั้ทงศีลทั้งภาวนามาเป็นอย่างดียังไม่แทงตลอดอริยสัจแสดงอริยสัจให้เขาแทางตลอดต่อไปแต่ว่าตรวจดูแล้วโหวเหมือนกับตุ่มว่างเปล่าไม่มีน้าอะไรอยู่ในนั้นเลยแย่อะ้รอย่างนี้เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเวลาไปสงเคราะห์สัตว์เนี่ยพระองค์เหมือนมองเห็นนะนะมองเห็นเหมือนกับคนเอาลูกแก้วเอาเพชรเอามณีเนี่ยไปใส่ไว้ในหม้อแล้วเอาอะไรปิดไว้พระองค์เนี่ยมองเห็นแล้วไอ้ตุ่มเนี่ยมันมีเพชรอ ย, อยู่ในนั้นนะ่ะ พระองค์ก็ไปเปิดหม้อเท่านั้นเองเพตนันก็ส่องรัศมีประกายสว่างสวยก็บอกว่าคนที่มีบารมีเก่าก็เหมือนกับมีเพชรอยู่ในใจอยู่แล้ว่นะพระองค์ก็ไปแสดงธรรมปั๊บอุปนิสัยเดิมเขาก็มาเขาก็ตรัสรู้ธรรมพระองค์ก็ไปต่อบารมีให้เขาอย่างพระพุทธเจ้าไปโปรดพระสารีบุตรพระสารีบุต ร, ร บ, บำเพ็ญบารมีมาเท่าไหร่หนึ่งอสงไขยแสนกับพระพุทธเจ้าไปโปรดพระพาหิยะพระพาหิยะบำเพ็ญบารมีมาหนึ่งแสนมหากับ ไ ป, ปนโปรดพระอนนท์พระอนนท์บำเพ็ญบารมีมาแสนมหากัปไโปรดพระมหากรสประพระมหากรสประบำเพ็ญบารมีมาแสนกรัปแต่ละคนแต่ละคนมีบุญเก่าทั้งนั้นเลยอ่ะก็ถ้าหากว่าไม่มีบุญเก่าแล้วโปรดได้นะพระพุทธเจ้าโปรดเราไปแล้วมา <c oughs> นั่งรอยอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> มาอยู่ถึงป่านนี้มาอยู่ถึงป่านนี้แล้วแต่ดีนะ <c oughs> ของเก่าน้ อ, อย่างเงา <c oughs> ี้ยเลยเพราะฉะนั้นทํายังไงอ่ะข้าวของเหล่านี้ซึ่งเรายังไงก็ต้องจากอยู่แล้วใช่ไหม เอายกตัวอย like, ่างนะเราต้องนั่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลุกกันแล้วเอ๊ะจะนั่งยังไงจากนี้ไปจนถึงลุกให้มันเป็นบุญอ่ะใช่ไหมยังไงเราก็ต้องลุกยังไงก็ต้องจากตรงนี้ไปแล้วอ่ะฝึกคิดยังไงที่จะให้เป็นบุญนั่นแหละเรียกว่าคนที่ฉลาดสร้างบารมีสามารถที่จะทําให้มันเป็นบารมีขึ้นอ่ะมองเห็นคนที่นั่งอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่ทําไมให้มันเป็นบารมีอ่ะแต่บารมีอย่าลืมมีสิบอย่างนะ เราทำยังไงมองเห็นแลใจเป็นบารมีได้คนนั้นฉลาดที่สุดแล้วความจริงแล้วเนี่ยจะไปโทษกันเองก็ไม่ได้ต้องไปโทษไอ้ความเห็นผิดต้องโทษความเห็นมิจฉาทิฏฐินั้นมันเบื้องหลังพวกนั้นเด้อแต่ว่าไอ้ที่แสดงออกมาในลักษณะมัชชริยะนั่นนะเพราะฉะนั้นก็แสดงออกไอ่ช่วงที่มันแสดงออกมาก่อนอย่างสมมุติคนเป็นเปื่อยมาเนี่ยนะก็พูดตรงแผลก่อนไอ้สมุดทางของโรคเอาไว้ก่อน แต่ที่จริงแล้วมันจะละตนีได้มันละละที่ไหนละที่สกายยทิพิละที่วิจิกิจฉาละที่ศีลพัตะปรามมัสแต่ไปพูดละนะแต่ว่าไอ้กิริยาอาการที่แสดงออกเนี่ยแสดงออกในลักษณะของมัชระยะแต่ก็ทั้งหมดเขานั่นแหละมันก็บวกลบคูณหารผสมบนเปกันอยู่แถวนั้นน่ะคือคล้ายๆเป็นฟองเดียวกันเจริญพรประเภทเดียกว่าเราจะแยกออกมาคล้ายๆมายืนอยู่ข้างนอกเราจะมองเห็นเจริญพรใช่ จะมองเห็นว่าไอตัวมัจฉริยะก็คือมัจฉริยะไอตัวที่ไปเห็นผหตที่ไปเห็นที่ดินสิบไร่นั่นก็เป็นเรื่องของตัวทิฏฐิเจพนพรแต่ว่าอาศัยมิจฉาทิฏฐิทําให้เกิดมัจฉริยะก็ได้แล้วก็อาศัยมัจฉริยะทําให้เกิดมิจฉาทิฏฐิได้คือบางคนเนี่ยนะเมื่อมัจฉริยะมันเกิดขึ้นมัจฉริยะคืออะไร คือความตนีว่าไอ้ความอัศจรรย์อันนี้ยจงเป็นแต่ของเราแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะพิเศษพิเศษอันนี้ไ อ, นนอนน้มีที่ดินสิไร่เนี่ยมันต้องเป็นของเราไม่ใช่ของใครอ่ะความอัศจรรย์อันนี้ต้องเป็นของเราเท่านั้นมัรชชีรยะก็เกิดขึ้นในลักษณะนั้นมัรชชีรยะแบบนั้นเข้าทํำไงอ่ะให้ไม่มีผลหรอกเหมือนนมันก็ต่อด้วยมิจฉาทิฏฐิต่อไปอีกไม่ได้มีประโยชน์หรอกบอกว่าทานเนี่ยคนโง่บัญญัติไว้คนฉลาดเป็นคนรับมาว่าไปนั่นเองใช่ไหม อาศัยพื้นฐานจากมัจฉริยะก็ต่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิมันเองมันก็ต่อต่อกันไปแต่พื้นฐานเดิมก็จากมิจฉาทิฏฐิด้วยจากการไม่ได้ฟังธรรมเกิดจากการไม่ได้คบสัตว์บุรุษคือมันแปลกว่าอีกคนหนึ่งคิดว่าการให้เป็นการได้อีกคนหนึ่งเนี่ยนะยิ่งเอายิ่งเป็นการได้คือมองมองอะไรเข้าใจผิดอ่ะที่จริงถ้าเรารู้จากต้นเหตุเนี่ยนะเหตุกับผลบางอย่างดูแล้วไม่เหมาะสมนะ เหตุกับผลเนี่ยนะในในใ น, ใ น, ในทฤษฎีของเราเนี่ยบางทีดูไม่เหมือนเลยยกตัวอย่างทำไมรดน้ำต้นไม้ทำไมไปรดที่โคนอะ่ะเราอยากได้ดอกไม้ใช่ไหมทำไมรดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยทำไมไม่ไปทําที่ตรงช่อที่มันจะออกดอกอะ่ะทำไมไม่ไปทําตรงนั้นอะ่ะถ้าเล็บขบและมันเป็นไข่ดันเนี่ยนะทำไมไปแก้ที่เล็บขบทาไมไม่แก้ที่ไข่ดันเนี่ยนะ บางทีเหตุกับผลในความรู้สึกของชาวบ้านทั่วไปหรือในคนธรรมดาทั่วไปบางทีมองไม่เห็นหรอกแต่พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นว่าที่มาแห่งทรัพย์สินในโลกเนี่ยนะมันเป็นของคนมีบุญอะใครให้ทานมาก็ของคนนั้นน่ะบางคนเนี่ยทำมาหากินแทบตายเลยนะบางทีตายมาสามชาติแล้วยังไม่พอกินเลยเําบงั้ น, นะไอ้บางคนเนี่ยมาเด็ดทำอะไรเลยเนี่ยนะไลมาเทมาเนี่ยนะไปเรียกว่าเอาอะไรไปดักก็ถูกหมดเลย ทำอะไรมันไม่เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะอีกคนหนึ่งนี่เป็นอย่างงั้นเลยนะไปเที่ยวยังไม่เงินเลยเอาไปเที่ยวคนอื่นเสียหมดแกได้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเออถ้าคนมีบุญก็จะลักษณะนั้นเพราะของในโลกนี้มันของใครใช่ไหมมันของคนมีบุญเข้าอ่ะเนตถึงนายปุณณะเนี่ยนะคนอื่นเขาไถนากันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ขี้ไถไม่ได้เป็นทองคําอะไรนายปุณณะเป็นทองคําได้อ่ะอาศัยแกมีบุญอ่ะอีกคนหนึ่งเนี่ยนะไปในงานเดียวกันอีกคนหนึ่งไปในงานแล้วเสียเงินไป อีกคนหนึ่งไปในงานเดียวกันนะ่ะได้เงินกลับมาเงมันแล้วแต่วิบากนะบางคนเนี่ยเดินผ่านจอเฉยๆเนี่ยเสียสตังค์บางคนเนี่ยเดินผ่านจอแล้วได้สตังค์เงี้ยมันไม่เหมือนกันสักอย่างเพราะในโลกนี้มันแล้วแต่ว่ารู ป, ปรธรรมเนี่ยนะอวิญิโพค ร, รูปเนี่ยนะเป็นอัพยากะตะอวินิโพค ร, รูปปณีดมากก็จะอยู่กับคนมีบุญอั น, นิโพค ร, รูปที่หยาบมากก็อยู่กับคนมีบาป ก, นะก็แล้วแต่ของใครสะสมมา เพราะฉะนั้นการที่กรรมชรูปเราได้ไปเกี่ยวข้องกับอวินิโโค ร, รูปต่างๆทําให้จักขูวิญญาณโสตวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยอย่าลืมว่าทวิตันจะเป็นจิตชาติวิบัติเป็นผลของกรรมอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากบุญไซ์ทุกคนก็จะได้วิบัอนเหมือนกันเพราะทํางานมาเหมือนกันเรียนจบโรงเรียนเดียวกันสถาบันเดียวกันหรือพ่อแม่มีลูกเหมือนกันน่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตเหมือนกันหมดแต่ก็ไม่ใช่ ไม่ใช่รับความรู้ข้อมูลข่าวสารมาเหมือนกันเกือบหมดเลยแต่ความแตกต่างก็ยังมีอยู่สิ่งเหล่านั้นเกิดจากอะไรเพราะถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องกรรมอ่อนไปก็จะเข้าใจลําบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจเรื่องกรรมได้ก็อาศัยศรัทธาอย่างเดียวศรัทธาในตถาคตโพธิสัตวาว่าพราะองค์นี้ทรงตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบแล้วดันั้นการให้ทานของท่านก็เลยให้เหมือนมอบความว่างั้นท่านรู้เหตุผลเงื่อนไขกติกานั้นเป็นอย่างดี ว่าที่มาแห่งคุณงามความดีส่วนหนึ่งเบื้องต้นก็คือการให้ข้อสอก็คือศีลบารมีว่าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนที่ท่านบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านบำเพ็ญศีลบารมีในภูมิสีคือจตุปาริสุทิศีลท่านบำเพ็ญจตุปาริสุทิศีลท่านจึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจงสมาทาน ศีลที่เป็นไปในภูมิสี่คือจะตุปปาริสุทธิศีลให้ดีเมื่อสมาทานจะตุปปาริสุทธิศีลอย่างดีแล้วเนี่ยธรรมะอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทีนี้ท่านก็เลยตั้งใจสมาทานอธิษฐานรักษาจตุปปาริสุทธิศีลเหมือนอย่างว่าอุปมาเหมือนอะไรถ้าจะรักษาศีลเนี่ยนะศีลเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลกุศลรักษาเจตนาอันนั้นเนี่ยนะ รักษาเจตนาทั้งงดเว้นและเจตนาที่ปฏิบัติเจตนาที่งดเว้นเนี่ยกับเจตนาที่ปฏิบัติตั้งใจรักษาเหมือนกับจาม ร, ามรีธรรมดาจามรีเนี่ยนะไม่เหลียวแลแม้ชีวิตเวลาไปเห็นคนหางติดอยู่ในที่ใดก็จะยอมปั้นใจดายอยู่ตรงนั้นอันนี้คนที่มีศีลก็เหมือนกันไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆก็เหมือนกับชีวิตเลยนะรักษาทำยังไงที่จะคิดให้เป็นศีลให้ได้ ในทุกๆอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีอารมณ์อะไรมั่งที่ไม่เป็นอารมณ์ของศีลอ๊อฟเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มเกี่ยวข้องกับศีลไหมาอาหารที่ ร, รับประทานเกี่ยวข้องกับศีลไหมที่อยู่อาศัยเกี่ยวข้องกับศีลไหมพี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้คนข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวานเนี่ยเกี่ยวข้องกับศีลไหมเกี่ยวข้องหมดเลยค่ะเราเข้าใจเรามองเห็นว่ากุศลศีลอันนั้นเป็นทรัพย์ไหมถ้ามองเห็นว่าเป็นทรัพย์ที่เราจะต้องรักษาหรือว่าเราหวงแหนเหมือนกับ จามารีรักษาขนหางแม่ที่มีลูกคนเดียวถนุถนอมบุดเหมือนแก้วตาดวงใจเหมือนกันจะคนมีในตาข้างเดียวทนอมกลัวมันจะพังกลัวมันจะเสียนกต้อยตีวิตรักษาฟองไข่ั้ถ้าหากว่ามองเห็นกุศลศีเนี่ยเป็นทรัพย์ก็ตั้งใจที่จะรักษาตั้งใจที่จะประพฤติไม่ปล่อยปละละเลย <c oughs> การหัวเราะคือการร้องให้ในอริยวินัยนี้ไปคุยเพ้อเจอ้อเพื่อที่จะหัวเราะสนุกสนาน ถ้ามองเป็นเหมือนกับการร้องไห้ซะมันก็เห็นโทษเห็นโทษปั๊บสังวรเกิดขึ้นแทนที่จะปล่อยใจให้เป็นไปกับบาปบับอกุศลกุศลจิตก็เกิดขึ้นอย่างหนาแ น, น่นมองเห็นว่ากุศลจิตเหล่านั้นเป็นอริยทรัพย์เป็นศีลนะนะเป็นศีลก็ทําให้เกิดการสังวรสํารวมระวังแล้วก็ผู้ที่สังวรสํารวมระวังเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ง่ายต่อให้ได้เนฆามะ ต่อให้ได้เนคขมมะเพราะเนคขมมะก็เกี่ยวกับเรื่องฌานเป็นต้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระองค์ก็แสดงเนคขมมะบารมีคือการสลัดออกจากกามจิตใจที่เป็นไปเพื่อออกจากกามคนที่จะออกจากกามไม่ติดพันในกามส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยศีลมีศีลเป็นรากเงามีศีลเป็นพื้นฐานมีศีลเป็นปัจัฐานถ้าศีลไม่ค่อยดีจะสลัดจากกามยังไงอบายก็ยังปิดไม่ได้อย่าว่าออกจากกามเลย ศีลไม่ดีอบายยังปิดไม่ได้อย่าว่าออกจากกามเป็นพรหมเป็นอรู ป, ประพรหมเป็นเทวดาจาตุ ม, มหาราชิกาอะไรได้ทักอย่างหรับเพราะอะไรอบายยังปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะออกจากกามคนนั้นต้องมีศีลวันโพงจึงแสดงเนกขมมะต่อจากศีลและอย่างหนึ่งการให้ทานทานจะมีผลมากทานจะมีอนิสงฆ์มากเพราะว่าคนให้ทานก็มีศีลคนรับทานก็มีศีลทานอันนั้นจึงจะมีผลมากมีอนิสงฆ์มาก การรักษาศีลก็เหมือนกับให้อภัยทานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีแล้วก็เนคขัมมะบารมีท่านอุปมาอ ย, ย่างไงเหมือนอย่างว่าอย่างว่าอะไรคนที่ติดคุกติดตารางอะนะไม่ได้รับความสุขเลยเจ้านายที่คุมขังเนี่ยโหดเหีเ้ยมเหลือเกินเดี๋ยวก็คุบเดี๋ยวก็ตีเดี๋ยวก็เคีย่ยนเดี๋ยวก็เต้นเดี๋ยวก็ไล่ตามข่าวันดีคืนดีก็ถือแส้ไล่เที่ยวหวดเป็นต้นเนี่ยนะของเราเนี่ยทุกวันเนี่ยเหมือนอย่างนั้นหรือเปล่า คุกในโลกเน okay ี่ยเหมือนกับคุกนั่นแหละเฮี้ยมโหหรือเปล่าเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ตัวร้อนเดี๋ยวก็เป็นไข้เดี๋ยวก็หวัดเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เย็นเนี่ยนะมันถูกลงโทษอย่างทุกทรมานเนี่ยทุกวันเนี่ยนะเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ออกร้อนเกินไปหนาวเกินไปเย็นเกินไปเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็กระหายเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยโรคภัยไข้เจ็บเล่นงานเบียดเบียนตั้งแต่หัวจดเท้านั่นแหละใช่ไหมมันก็เหมือนกับที่คุ้มขังนัั่่่นนนนแหหละมททุกกกราาาออยง้็บว เหมือนอย่างว่าคนที่อยู่ในเรือนจำได้รับความทุกข์ทรมานชั้นใดว่างั้นเวลาเขาจะออกจากเรือนจาเนี่ยนะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรอาวร์โหยไม่น่าเลยแมต้องออกจากเรือนจำแล้วเนี้ยเขาไม่รู้สึกเสียดายเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นท่านจงมองโลกทั้งสามเนี่ยเหมือนกับเรือนจามีใจเด็ดเดียวมุ่งที่จะออกจากโลกสามให้ได้อนั้นเป็นเนคขมักบารมี แต่ถ้าเนคขมมะเบื้องต้นก็การออกบวชนั่นแหละแต่ว่าเบื้องสุดจริงๆก็คือการได้ฌานเป็นต้นนั่นแหละพวกที่ได้ฌานนั้นเนเนคขมมะเป็นอย่างดีเพราะกุศลจิตออกจากกา ม, มะคุณทั้งห้าเพราะฉะนั้นเนคขมมะก็คือเน้นออกจากกา ม, มะคุณห้าเน้นออกจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากโผฏฐพัพเอาแล้วไปคิดอะไรแทนก็ไปคิดอารมณ์ที่มันเป็นไปกับสมถาวิปัสนาเป็นต้นนั่นแห ล, ละนั่นแหะเป็นเนคขมมะอย่างดี เรื่องเน่คัมานี่นะครับคือเป็นเรื่องที่เป็นการสละสละกรรมคุณทั้งหลายจริงๆแล้วนี่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราคิดว่ากามคุณนั้นเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราการที่จะสละนั่นหมรู้สึกมันใหญ่โตและเกินสละยากแล้ว น, นี้ขมม่านี่ยเป็นการสละสิ่งเหล่านี้นี่นะจริงๆแล้วเป็นการสละเล็กน้อยนะข้อความหนึ่งที่ทําให้เกิดความประทับใจที่จะ รู้จักสละการมรู้จักสละความสุขเล็กน้อยก็คือข้อความที่บอกว่าการสละความสุขเล็กน้อยเพื่อประโยชน์เพื่อความภัยบูรของของความสุขอันภัยบุ์เนี่ยนะครับสละเล็กน้อยสมมุติถ้าเราถือศีลแปดก็สละอาหารมื้อเย็นทักเล็กน้อยเพื่อความสุขอันภัยบณ์นี่เป็นข้อความที่ทำให้เรามีกำลังใจมากเลยนะฮะเป็นการสละเล็กน้อยจริงๆนะครับแล้ว ผลตอบแทนอ น, นิสงฆ์แห่งการที่จะรักษาศีลแปเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกครับว่ามากน้อยแค่ไหนนี่เป็นข้อความบางข้อความที่อยากจะให้ฝากไว้นะครับเพราปนะ็นเรื่องในขมมะนี่ก็เหมือนกั น, นครับเป็นเรื่องที่สละรูปรสกลิ่นเสียงเพื่อความสุขอันไพ่บูรณ์และเป็นอ น, นิสงส์สูงมากเลยนะครับในขมมะเนี่ยแล้วเราก็เรานุสุกจะห่างมากนะเรื่องนี้นะเราห่างมากเลย เพราถ้าหากว่าพื้นฐานเราเข้าใจเรื่องของกามดีเนี่ยนะเราก็สละไม่ยากนะครับถามว่ากามในโลกนี้มีโทษไหมพระพุทธเจ้าบอกว่ากามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกมันไม่ได้กินอิ่มอะไรหรอกมีใครอิ่มจริงๆสักอย่างในโลกเนี้นะมันเหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อเป็นที่ยื้อแย่งของคนหมู่มากลองเอาเพชรเท่าไอแก้วนี้ดูทีมันค่ากันเท่าไหร่เนี่ยเอาเพชรเท่าแก้วเนี่ยใบเดียวเนี่ยโยนลงไปดูที่ คนเนี่ยนะตั้งกองทัพมาเพื่อที่จะชิงไอ้เพชรเม็ดนี้เม็ดเดียวอะเหมือนชิ้นเนื้อเป็นที่ยื้อแย่งของสัตว์ทั้งหลายนะยื้อแย่งเข้นข่าพี่ทะเลาะน้อ ง, องทะเลาะพี่พ่อทะเลาะลูกลูกทะเลาะพ่อแม่ทะเลาะลูกลูกทะเลาะแม่พี่น้องแกง่งแย่งสมบัติชิงดีชิงเด่นกันไอ้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเหมือนชิ้นเนื้อเป็นที่ยื้อแย่งของคนเป็นอันมากตามทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกับคบเพลิงอะ่ะใครถือก็เผาคนนั้นน่ะอยู่กับใครก็เผาคนนั้นแหละ แล้วก็กามทั้งหลายก็เหมือนกับหลุมทานเพลิงที่ลึกชั่วบุรุษใครที่ตกลงไปในนั้นมีแต่ความร่าเริงทั้งกายร้อนทั้งใจเดือดร้อนกวลกวาดอยู่เป็นนิดหลับไม่เป็นสุกรอกคนถ้ามีกามมากเท่าไหร่คนนั้นหลับน้อยที่สุดยิ่งมีมากหลับยิ่งน้อยที่สุดเหมือนกันเถอะกริย์เนี่ยหลับน้อยมากนอนน้อยมากเหมือนก้นครอบมามีกามมากอะดูแลมันโอ้โหตกกังวลสมมุติถนะ้าชาวบ้านธรรมดาใครมีวัวมีควายมากๆคนนั้นนอนไม่ค่อยหลับนะเนี่ มันก็ต้องดูแลถ้าเกิดตัวไหนมันไปกินข้าวชาวบ้านเขาเอาเสียไหมละจะต้องเสียสินเสียไหมถ้าดูแลไม่ดีเดี๋ยวมันก็ผอมดูแลไม่ดีเดี๋ยวนมมันก็ออกน้อยอย่างเงี้ยก็ทุกอยู่นั่นแหละว่างั้นท่านจึงบอกว่าเหมือนกับหลุมฐานเพลิงใครได้ก็ร้อนมากหน่อยแล้วก็การทั้งหลายก็เหมือนกับความฝันก็เหมือนกับฝันเนี่ยนะเมื่อคืนที่ฝันเห็นอะไรมาเนี่ยเหลือไหมชีวิตสมัยก่อนเนี่ยเคยฝันมาเป็นหนุ่มเป็นสาว มีคนมาชอบตอนนี้มีเรือฟาดอย่างเลยนะฝันเอาทั้งนั้นเนละเหมือนกับความฝันเมื่อก่อนเนี่ยยิ้มแป้นหน้ากระจกเลยนะตอนนี้เห็นกระจกอะไรก็ยิ้มอะก็ออกแล้วฝันว่างั้นเคยสวยเคยงามเคยอย่างนั้ น, ยยยยย น, นอย่างนี้เล่นตัวโออาไปก็ตอนนี้ก็ฝันเอาทั้งนั้นเนละก็บอกว่ากาทั้งหลายก็เหมือนกับของขอยืมเข้ามา ยืมความเป็นเด็กความเป็นหนุ่มเป็นสาวเคยยืมทรัพย์สมบัติแก้วไว้เงินทองยืมเข้ามาใช้ดังนั้นแหละนี่แหละมันของขอยืมเข้ามาก็เหมือนกับผลไม้ผลไม้ก็คือว่าถ้าพูดเหมือนแบบพระมหาชนกอ่ะนะผู้ใดที่ติดพันในกามมากประสมมากเหมือนกับไอ้ผลไม้อ่ะนะถ้าผลไม้ออกลูกดกนะต้นนั้นอาจจะโสมมากเหมือนั้นะตกามก็ลักษณะนั้นแหละพระมหาชนกนั้นเลยออกบวชเลยเห็นโทษ หรือบางทีกามทั้งหลายก็เหมือนกับคนที่ไปขึ้นต้นไม้อะนะเห็นผลไม้โอหลูกมันทั้งพร้อมหมดบนต้นก็เลยขึ้นไปกินนอนกินอยู่บนนั่นแหละไอ้คนเดินตามมาข้างหลังนี่มันขึ้นไม่เป็นอ่ะเอาขวานมาด้วยมาถึงก็จามโคนเน่ยเพราะว่าพวพววไม่รีบลงเนี่ยตายเนี่ยกามก็ลักษณะนั้นแหละถ้าไม่ถ้าไม่รีบลงนะไม่รีบสลัดจากกามเนี่ยนะอบายทุคติวินิบาตนรกยังไงก็ไม่พ้น ตกลึกนะตกต้นมายัางพอเอาไปหาหมอหาหมอทันได้แต่ถ้าติดใจในกามเนี่ยนะถ้าลงไม่ทันเนี่ยอบายทุกขติวินิบัตินรกนะบางคนเนี่ยนะไปเกิดในอบายแล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวนะถ้าไปเป็นมดเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาเนี่ยโหลืมเลยนะมันสนิทไปหมดเลยเพราะแสวงหาปากท้องก็ยังไม่พอกินเลยไม่นึกถึงเหตุเลยนะมันถ้าไปถึงขนาดนั้นแล้วก็โหทุกปางตายแล้วย ถึงถ้าหากบางคนก็ขณะที่กําลังกินเนี่ยไปกินผลไม้ที่มีพิษอยู่ในโลกถึงกับก่อกรรมทําชั่วไปตกนรกหมกไหมเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นโูกเศรษฐีคึ้หาบดีที่มั่งคั่งใช้ชีวิตเหมือนตายไม่เป็นเนี่ยนะไปตกนรกแล้วก็โหลําบากแล้แล้วต่อไปอีกแล้วว่ากามทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าเปรียบเหมือนดาบเหมือนห อ, อกเนี่ยนะดาบที่เขามาเชือดมาเฉือนห อ, อกที่มันคมมาทิ่มปัก อ, อกเป็นต้นเนี่ยนะ แล้วมันเป็นอย่า ง, งานั้นจริงๆนะเคยเห็นไหมคนได้รถงามๆแล้วขับรถอย่างเร็วเนี่นะมันปักตรงไหนอ่ะปักทั้งตรงหัวปักทั้งเท้าปักทั้งมือแขนกุดขาขาดเนี่ยนะรถแก่งงามๆเนี่ยทำให้คนค้าหักกว่ามีนะรถเบนซ์งามๆทาให้เจ้าของตายอยู่ในนั้นกว่ามีเพราะฉะนั้นทุกแห่งเนี่ยนะมันเหมือนกับแปลมาเป็นอาวุธได้หมดเลยกระจกที่ดีๆนิรภัยอาจจะกลายมาเป็นอาวุธได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นในแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหล่านั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าเหมือนกับดาบที่รับคมดีแล้วเชือดเหมือนหอกที่รับคมดีแล้วแทงว่า ง, งั้นเหมือนหอกที่พุ่งปักอ ก, กร้อนปานใดเจ็บปวดปานใดเนี่ยนะกามทั้งหลายก็เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นอีกแล้วก็อยู่ลักษณะแบบนี้นะไม่มีวันสางไม่มีวันสายเมื่อพูดถึงเรื่องกามนี่นะท่านอาจารย์สมบัติก็ได้นําข้อความเนี่นะมาจากพระไตรปิฎกนะะั่น โดยเฉพาะที่ท่านกล่าวไว้อย่างละเอียดเลยคือในนิเทศใช่ไหมการมานิเทศนี่นะฮะท่านลองปฏิบัติอย่างนี้ดูนะฮะเมื่องเงีย่ยสวดลงฟังไม่ต้องพูดถึงว่าเดินเข้ามาแล้วนะเงีย่ยสวดลงฟังผู้แสดงนะฮะแล้วทรงไว้หรือเปล่านะทรงไว้คือจําไว้ได้หรือเปล่าจไไําจทักคำเดียวนะฮะว่าการนี้เนี่ยเหมือนของขอยืมนะการเหมือนหอกเหมือนดาบเนี่ยนะเอาจำตั้อย่างเดียวไม่ต้องมากนะเนี่นะ พระพุทธท่านตรัสได้บอกว่าเข้าไปหาสัตบุรุษนะแล้วก็เงีย่ยสวดลงฟังลงฟังแล้วต้องทรงจําไว้นะถ้าวันนี้ท่านเรียนผ่านไปโดยที่ไม่จําอะไรเลยเนี่ยนะเขาถ้าก็กลับไปก็ตกอยู่หน้าต่างเะ ล, ลุกขึ้นก็ตกอยู่หน้าต่างหมดถ้าลงจําไว้ทักคำเดียวทําตามอย่างพระเจ้าท่านท่านตรัสไว้นะแล้วก็ว่างๆเอามาเพ่งนิสตามพระไตรปิฎกเลยนะตามพระสูตรเลยนะท่านบอกว่าจําแล้วเอามาเพ่งธรรมนั้นเนี่ยธรรมะของพระพุทธยว่างนั้นเนี่ย ทนต่อการเพ่งไหมทนต่อการเพ่งไหมเมื่อท่านไปเพ่งแล้วท่านบอกเออจริงไหมเรื่องเนี้ยนั่นในชีวิตเราเนี่ยโตขึ้นมาป่านนี้เนี่ยเราจะเห็นโทษของกรรมเนี่ยจริงไหมเรามีอายุป่านนี้แล้วเนี่ยโอโ้โหผ่านชีวิตมาเยอะเราถูกกรรมมั น, ม, นมันซัดเอาเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งนะที่ทําให้เราเดือดร้อนเนี่ยนะ กว่าจะแสวงหามันก็แสนจะยากยากจริงๆนะยิ่งกรรมที่สลับซับซ้อนกรรมที่ปราณีตกรรมที่ใหญ่การมที่มีค่าการรมที่สวยงามเนี่ยเป็นสิ่งที่หามามยากยิ่งปราณีตยิ่งยากแล้วเมื่อได้มานแล้วกว่าจะท่านจะรักษาไว้ก็ยากมากเลยมันพร้อมที่จะแตกสลายบุกสลายเป็นอย่างอื่นไปอยู่เรื่อยรักษาก็ยากนะครับ เพราะฉะนท่านลองเอาข้อความเหล่านี้เนี่ยนะลองไปตรึกดูนี่เป็นการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องที่ตรัสไว้เมื่อทนต่อการเพ่งแล้วนี่นะท่านก็จะเกิดฉันทะเกิดความพอใจอืมธรรมะพระองค์อองนี่นะทนต่อการเพ่งแล้วก็จะตามมาด้วยวิริยะก็จะทําให้ท่านมีความเพียรที่จะศึกษาต่อไปลองดูนะฮะเพราะฉะนั้นข้อความอย่าให้ตกหล่นอยู่ตรงนี้เอาไปทักข้อความหนึ่งเอาละเอาไปเพ่งดู นี่จึงจะเข้าถึงธรรมะจริงๆนะครับแต่ถ้าถามว่าท่านไม่เพ่งเลยไม่อะไรเลยนะครับเหมือนก็ผ่านหูไปผ่านหูไปแต่ถ้าท่านเพ่งเมื่อไหร่นะครับแล้วท่านเห็นโทษเมื่อไหร่นะครับคุณมหาศาลผลมหาศาลอานิสงส์มหาศาลที่เดียวครับที่ท่านได้รับเป็นความจริงอย่างนี้ครับ น, นี่ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งซึ่งผมได้ศึกษาจากท่านอาจารย์สมบัติก็ไม่ใช่ของท่านอาจารย์สมบัตินะ ท่านกล่าวไว้เนี่ยชัดเจนเลยใช่ไหมครับเข้าไปหาสัตว์บุรุษนะครับเข้าไปแล้วก็าไปนั่งไกลก็กนเงี่ยหูเงี่ยโสดลงฟังฟังแล้วก็ทรงจําจําแล้วก็มาเพ่งเพ่งแล้วก็จะทนต่อการเพ่งทนต่อการเพ่งแล้วก็เกิดฉันทะเกิดฉันทะแล้วก็เกิดวิริยะแล้วก็จะตามมาอีกเยอะแยะเลยได้ไปสามบารมีแล้วเนาะทานเีนเนคขมะแล้วก็ต่อไปนะมันเนคขมะมจะดีมากมีผลมากก็ต้องอยู่ที่ปัญญา เนคคัมมะก็คือสมาธิอศีล ส, สมาธิและปัญญาบารมีตรงนั้นนะเนคคัมมะก็ได้แก่สมาธิท่านทบทวนกามอีกสักครั้งผมตอนนี้มีชักมีคนสนใจแล้ว น, นะอีกสักครั้งอีสักสี่ห้าสีหาส่ห้าตัวอย่างครับกามเนี่ยครับโทษของ ก, กามเนี่ยครับเปรียบเหมือนอะไรครับกามเนี่ยอีกสักครั้งเดียวครับสักห้าตัวอย่างะทีแรกก็บอกว่าเหมือนกับร่างกระดูกใช่ไหมอธิกูปมา ว, ว่าไงกระดูกเปื่อนเลือดโยนไม่ให้ม้ามแทะ ก็เมาลำลายตัวเองมันเพิเ่นว่ามีคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดแล่เนื้ออยู่พอดีหมามากวนทำไงอะ่ะเี่ก็เลยแร่แรแร่แร่แล้วก็เอาคลุกเลือดซะหน่อยแล้วก็โยนไปมันก็ไปแท้อยู่นั่นแหละเขาบอกว่ากามทางลายกับลักษณะนั้นน่ะมีใครกินอิ่มทุกคนหรอก็อยู่อย่างงั้นแหละมีอะไรบ้างในโลกนี้ที่เราอิ่มเนี่ยนะเขาบอกว่าภาษะเป็นปัจจัยกับเวทนา อาศัยวัตถุวิญญาณอารมณ์เนี่ยนะนั้นกามก็คืออารัมมณะปัจจัยอารัมมณะปัจจัยให้แก่ภาษะเวทนาเวทนาเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัวกามเองก็พร่องแล้วก็เวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตแห่งตัณหาเพราะไม่รู้จักทมยังไงก็ไม่พอแล้วก็มันเพลินๆดีเหมือนกันนะมัำๆดี ทางภาคอีสานส่วนหนึ่งเขาชอบซื้อไอ้เม็ดมะขามเนี่ยนะที่ขั่วแล้วมันนั่งเคี้ยวเคี้ยวทั้งคืนเนี่ยนะมันก็มันดิ้มกันเคี้ยวอยู่ทั้งคืนนี่แหละสรุปแล้วก็ฟันเสียนะะอันนี้สองที่นั่งเคี้ยวเม็ดมะขามทั้งคืนนั่นแหะฟันเนี่ยโหระบมไปหมดเลยแต่มันก็หอมหอมดิ้มกันที่ว่าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดนี่ท่านหมายถึงตัวตัณหาใจหรือเปล่ปา จะถอนใช่เพราะว่าคําว่ากามนั้นที่กล่าวนั้นมีอยู่สองอย่างคือวัตถุ ก, กามและกิเลสกามเพราะฉะนั้นตัววัตถุ ก, กามนั้นก็คืออารมณ์ทั้ง5้าตัวกิเลสกามก็ได้แก่โลภะเพราะฉะนั้นคําว่าออกจากกามในที่นี้เนี่ยนะออกจากวัตถุ ก, กามและกิเลสกามสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารณปีติและสุขที่เกิดจากวิเวก อันถ้าหาว่าไม่เห็นโทษของกามจริงๆปฐมฌานก็เกิดไม่ได้ที่จริงเนคขมมะก็คือพวกฌานนั่นแหละเนคขมมะอย่างสูงเลยก็คือระดับฌานเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ฌานได้ก็ต้องสงัดจากกามแต่คําว่ากามก็ทั้งวัตถุ ก, กามและกิเลสกลามสงกัดจากกามสังกัดจากอคติ ส, ส, ส, สธรรมทั้งหลายบารรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์และสุขอันเกิดจากวิเวก แต่ถ้าหากว่าอาศัยอารัมมนะปัจจัยคือรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะมันพร่องอยู่ไม่รู้จักอิ่มหรอกถ้าใหม่ๆเลยนะเราก็บอกโอ้โหนี้ดีที่สุดแล้วไปเจอใหม่เข้าไปอีกดีกว่าเดิมอีกก็เอาไม่เอาลนะ <c oughs> มันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่รู้จักเต็มทั้นท่านเล่าว่ามหา ก, กษัตริย์ที่เป็นพระราชาปกครองแผ่นดินอยู่เนี่ยนะเขาบอกว่าโหมีคนคนหนึ่งมาบอกว่าในเมืองในทิศตะวันออกจากนี้ไปเนี่ยนะ มีเมืองอยู่เมืองหนึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแก้วแหวนเงินทองร่ํารวยมากมายมหาศาลมีแต่ราชินีอย่างเดียวอมีแต่ราชินีวังนั้นพระราชาสวรรค์นครแล้วทําไงอ่ะพระราชาฝายนี้ฝ่ายชายใช่ไหมนันก็จะยกสงครามไปเพื่อที่จะชิงเอานะเขาบอกว่าน้ํำพึ่งไม่มีตัวเนี่ยใครก็อยากกินกันลักษณะแบบนั้นนะ่เพราะฉะนั้นทั้งทั้งที่ตัวเองก็มีอยู่แล้วก็ต้องการไปเรื่อยขยายอาณาเขตขยายเขตแดนไปเรื่อยอย่างนั้นนะ แผ่รศมีแพ่ไขออกไปเรื่อยเพราะมันพร่องมันไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออะไรหรอกมันก็จะคัดสรรอยู่เรื่อยเพราะเวท น, นานี้เป็นปัจจัยแก่ตันหาอย่างไรก็ถมเวทนาไม่เต็มเพราะเวทนาเนี่ยนะเวทนาก็เกิดจากภาษาภาษาก็เกิดจากปัจจัยที่ประชุมพร้อมกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีภาษาก็เกิดเวทนาเมื่อมีเวทนาก็เกิดตันหาทีนี้ใครจะไปถมตันหาเต็มอ่ะเพราะว่า ตันหาเนี่ยเกิดจากเวทนาก็ไปหาอารมณ์ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะละจากตันหาได้ก็ด้วยการทิจารณาโทษของตาโทษของคือเรียกว่าโทษของวัตถุวิญญาณอารมณ์สามอย่างประชุมกันเห็นโทษของภาษาเห็นโทษของเวทนาเมื่อเห็นโทษของเวทนาเมื่อไหร่ก็จะเริ่มละคลายตันหาเพราะที่จริงตันหาก็คือยินดีในวัตถุวิญญาณอารมณ์นั่นแหละ เมื <ne> <ni t> <ida> you, ่อเริ e ru, ่มเห็นโทษของทั้งสามตัวเนี่ยนะมันก็จะเป็นกุศลธรรมสายวิวัตตะเป็นไปเพื่อการสลัดออกแหละเห็นโทษเท่าไหร่มันก็สลัดได้เท่านั้นเห็นคุณมากก็สมุทัยสัตว์มากเห็นโทษมากทุกขัตรย์ก็จะเกิดมากจนกว่าจะสลัดออกจากสิ่งเหล่านั้นได้เห็นโทษเท่าไหร่ก็สลัดออกจากเท่านั้นสลัดออกจากกามด้วยเนคขมมะสลัดออกจากพยาปาทด้วยอพยาปาทะสลัดออกจาก ขีณะมิทธาด้วยอโลกสัญญาออกจากวิจิกิจฉาด้วยการกำหนดธรรมออกจากอวิชชาด้วยความรู้ออกจากกามออกจอากอกุโสลธรรมด้วยปฐมฌานเป็นต้นออกจากความสำคัญว่าเที่ยงด้วยอนิจจานุปัสสนาออกจากความสำคัญว่าสุขด้วยทุก ข, ขานุปัสสนาออกจากความสำคัญว่าเป็นอัตตาด้วยอนัตตานุปัสสนาออกจากความเพลิดเพลินยินดีด้วยนิพพิธานุปัสสนา ออกจากความยืนดีความยึดติดด้วยวิราคานุปัสสนาออกจากความเกิดด้วยนิโรธานุปัสสนาออกจากความถือมั่นด้วยปฏินิส ข, ขานุปัสสนาออกจากนิจจานิมิตเป็นต้นเนี่ยนะด้วยอนิมิตานุปัสสนา